ทีเลนะนิพพินยันติมัสสะธรรมปริยัยสสะอัโทชาธายสัมพันเตหิสัตตะจังโซตะปโตติณะโอกาติจะได้ปรรยายธรรมะ อ่านเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเรามาฟังธรรมเพื่อให้มีความรู้เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติดังนั้นถ้าเราฟังธรรมไปด้วยนั่งปฏิบัติไปด้วยจะดีไหมค่ะดีก็ระเชิญท่านกำหนดจิตทำสมาธิ ในท่าที่ท่านเห็นว่าสบายนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มันกำหนดบิดให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งละลึกท่านสุดใดจะกําหนดอารมณ์อะไรได้ ไม่ขัดข้องตามที่ตัวชำนาญและคล่องตัวเคยภาวนาพุโทโธก็พุโทโธไปกำหนดลมหายใจออกเข้าก็กำหนดไปสัมมาร拉หังยุบหนอพองหนอก็กำหนดไปหรืออารมณ์อื่นๆที่ท่านถนัดใจก็ว่ากันไปไม่ขัดข้องเพราะธรรมชาติของจิตถ้ามีอารมณ์สิ่งรู้ แล้วเรามีสติควบคุมรู้อยู่ในจิตที่จิตมีสิ่งรู้ได้สว่าเป็นการปฏิบัติสมาธิและไม่จำเป็นจะต้องไปบังคับจิตให้จิตนิ่งเพียงจะหาอารมณ์มาป้อนให้จิตของเราลกบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอยู่เท่านั้น แต่หาพท่านผู้ใดจิตของตนสามารถหาอารมณ์มาป้อนให้ตัวเองได้คือมีความคิดลรงแต่งขึ้นมาเองให้กำหนดทมสติรู้อยู่ที่ความคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจไม่ต้องไปเสิมปดธรรมชาติธรรมชาติของจิตจ้อมีความคิด เพราะความคิดเป็นอาหารของจิตธรรมชาติของจิตย่อมบริหารตนเองความคิดเป็นการบริหารจิตผู้ปฏิบัติธรรมจะเอาดีกับความคิดกับการบริหารจิตกับอาการที่จิตบริโภคอาหารต้อง ปฏิบัติตนให้มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมืูทุกขณะจิตที่มีความคิดหรือจิตว่างนี่เค็ดลับสำคัญของการปฏิบัติธรรมปัจุบันที่ตรงนี้และท่านทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลในการที่จะละกิเลสที่มีอยู่ในจิตของตนเองโรอโปลดลง ไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะขจัดรลอละได้โดยเจตนาอย่างไม่มีเหตุผลหรืออย่างไม่มีพลังผักดันสมเด็จระพูมีพระภาคเจ้าละีิเลสโลกโปรดหลงนั่นเป็นเพียงโยหาหนการพูดเท่านั้นแต่แท้ที่จริงศีลสมาธิปัญญาน้่นตัวสำคัญ ที่เราฝึกฝนอบรมให้มีพลังพร้อมศีลก็ให้เป็นอธิศีลจิตสมาธิก็ให้เป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอาธิปัญญาศีลเป็นอธิศีลนั้นเป็นอย่างไรในขัานต้นเราตั้งเจตนาโงดเว้นจากโทษนั้นนั้นตามที่ นักบวชมีพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าทำลงไปแล้วมันเป็นบาปเช่นการฆ่าการลักการทาโมยที่ปล้นระพภตาเมสมิชาจานุสาวาสุราเป็นต้นเราตั้งเจตนางดเว้นโนดเว้นปฏิบัติจนกระทั่งคล่องตัวจนทานิทำนาน จนรู้สึกว่ากายวาจาและใจจิตของเรามีความเป็นปกติกายก็เป็นปกติเธอไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่สมเหตงไม่ลังแ่วาจาก็เป็นวจีสุจริส่วนจิตก็มีแนวโน้มที่ดำลงอยู่ในความเป็นปกติซึ่งเป็นพลังแห่งศีล เพงจะเป็นไปเองโดย จ, จยยิตเลยโดยอัตโนมัติเราจะตั้งใจมีศีลศีลก็มีไม่ตั้งใจมีศีลศีลก็มีจะเจตนาก็มีศีลไม่เจตนาก็มีศีลาะใจเป็นตัวปกติแล้วกายวาจาก็กลายเป็นตัวปกติเป็นเองทุกอย่างเมือ่อศีลมีความเป็นปกติ จิตสมาธิเพราะอาศัยความเป็นปกติกายวาจาก็เป็นศีลเป็นตัวปกติก็สนับสนุนให้จิตเป็นปกติขึ้นมาด้วยในเมื่อจิตเป็นปกติตัวปกตินั่นแหละคือศีลสีเลนะสุขจริยันติถ้าจิตเป็นปกติสุขไหมดูให้ดีสิ สีเลนะนิพพุติยันติกถ้าจิดเป็นปกติแล้วมีสุขไหมดับทุกข์ได้หรือไม่เพราะกายวาจาใจของเราเป็นปก ต, ติเรามีสิ่งความหวาดระแวงใยต่างๆก็ดับไปความกลัวตายก็ดับไปกลัวคนอื่นจะมาประทุษร้ายทำร้ายตัวเองก็ดับ เรียกว่ามันดับสิ่งที่หวาดกลัวในตอนต้นๆมันดับสิ่งที่หวาดกลัวก่อนแต่เมื่อจิตหรือสมาธิกลายเป็นอธิจิตจิตมีความมั่นคงมั่นคงต่อการที่จะระพฤตปฏิบัติดำเนินไปสู่ ความเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงซึ่งจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติสมาธิที่เป็นไปเองโดยอัตโนมัติสังเกตได้หรื อ, อยังว่าสมาธิอัตโนมัติมันเป็นอย่างไรในเมตเป็นสิ่งที่เป็นปกติสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมดูที่จิต สมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อจิตเป็นปกติแล้วจิตสงบความสงบเพิ่มพลังงานขึ้นเป็นความมั่นคงความมั่นคงที่ไม่รู้จักส่วนถอยสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาเราจะนั่ง สมาธิมันก็เกิดไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดไม่นั่งสมาธิมันก็เกิดบางที่เดินผิวปากไปเฉยๆสมาธิมันก็เกิดบางทีหูได้ยินเสียงอะไรได้ยินเสียงชาวบ้านเขาด่ากันอยู่ข้างถนนน้หูมันได้ยินเจิตมันรับปอะมาพิดจารณาถึงความดีหรืวความทั่ว แล้วมันจะปรงตกลงไปว่าสาัตว์ทั้งหลายยังขัดข้องหมองใจกันยังทะเาะวิวาสกันก็เกล่อมกันแล้วจิตมันจะรู้แจ้งเห็นจริงลงไปมันจะเกิดความสงบเป็นสมาธิครั้งที่เราไม่เลยตั้งใจธรรมชาติของจิตที่เราฝึกสมาธิจนคล่องตัวจนทำนี่้ํานานแล้วจงสังเกตให้ดีเขาจะเป็นสมาธิได้ตลอดเวลา เดินเดินนั่งนอนกินเดินทำโทษแต่ชิดมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะตัวสติสัมปชัญญะตัวนี้ปรากฏต็นชัดอยู่ทุกขณจิตจิตมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดดังนั้นสมาธิจึงสามารถบางเกิดขึ้นได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจเมื่อจิตมีความมั่นคง คอสมาธิและมีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็รู้สิ่งใดที่จะเป็นเหตุแห่งความสุขสิ่งใดจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์จก็รู้พระมีสติสติตัวที่มีพลังงานแก่กล้าขึ้นนั้นเองจะสามารถ กำหนดโลทุกสิ่งทุกอย่างใายในจิตของเราเนี่ยให้รู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าสิ่งนี้เป็นบาปอกุศลสิ่งนี้เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งนี้ควรประพฤติสิ่งนี้ควรปฏิบัติสิ่งนี้ควรปล่อยสิ่งนี้ควรวางสิ่งนี้ควรละเว้น ซึ่งเขาจะมีปัญญาพิจารณารอบรู้ของเขาไปเองนั่นก็คือตัวปัญญาที่เกิดจากสมาธิเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกําหนดก็ต้องรู้ดูที่จุดของเราแล้วก็มีสติควบคุมอยู่เราก็จะค่อยรู้จักความจริงรู้ความจริงของกายและใจของเรา รู้ความจริงของสถาน ก, การหลาสิ่งแวดล้อมเวลานี้ท่านนั่งอยู่กายของท่านกับปรากฏในความรู้สึกจิตของท่านก็รู้อยู่ที่กายมองเห็นกายหรื อ, อย่างในเมื่อเรามองเห็นว่ากายของเรายังมีปรากฏอยู่ในความรู้สึก เราเห็นอะไรบ้างความเหน็กเหนื่อยในการนั่งความสบายในการนั่งความทุกข์ที่เกิดเพราะการนั่งทรมานนานอันนั้นเรียกว่าเวทนาเวทนาเกิดที่ไหนเกิดที่กาย เวทนาทุ ก, กเกิดที่กายเวทนาสุขก็เกิดที่กายเวทนาที่เป็นกลางกลางอพยกตาเวทนาก็เกิดที่กายรวมความและว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดที่กายความสุขทั้งมวลเกิดที่กายความอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นความทะเยอทยานเล่นดน มันเกิดขึ้นได้เพราะเรามีกายความแก่ความเจ็บและความตายเกิดมีขึ้นได้เพราะเรามีกายถ้าหากว่ากายของเราไม่มีเราไม่มีสิ่งตายที่ตายตายที่เราพากันกลัวกันนักหนานั่นน่ะมันเป็นความชช่นสุดแห่งอายุขย ซึ่งแต่ลาบบุคคลได้มาจากผลของบุญกรรมใครจะมีอายุสั่นอายุเดชแล้วแต่กรรมของตนเองที่ทำมาไว้เพราะจิดตดวงนี้อาศัยอยู่ในกายนี้จนมันติดราะว่าจิดนั่นถอนตัวไม่ออก ในเมื่อมันติดแน่นเช่นนั้นในเมื่อรู้ว่ากายมันจะแตกสลายมันก็เกิดกลัวตายแต่แท้ที่จริงนะผู้ที่กลัวนี่มันไม่ได้ตายหรอกผู้ทู่ไม่รู้สึกกลัวต่างหากที่มันตายกายของเราเปรียบเหมือนบ้านเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเขาไม่รู้สึ ก, สกไม่รู้สึกผุดไม่รู้จากเบือด้อนอะไรทั้งสิ้น ไปสร้างขึ้นแล้วจะเอาสีแดงแดงดำดำไปแต้มไปเขียนวาดลูบอะไรต่างๆลูบแล้วพุทธะลูบลูบเทวดาลูบโอ้อะไรต่างๆเขียนใส่ไฟฝาผนังบ้านมันก็ไม่ต่อวาดใครเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านนี่ไปคิดว่าบ้านนี้เป็นของเรา ถ้าเกิดมีอะไรสูกพังสลายตัวไปเราก็เกิดเสียใจเสียดายเพราะเรายึดว่าเป็นเจ้าของข้ออุปมาอุปไมยอันนี้ก็เหมือนกันใจจิตของเรามายึดกายนี่ว่าเป็นบ้านของตัวเองยึดจนกระทั่งว่าตนตัวของตัวเองเลยมายึดเข้าถึงส่วนเล็กของจิตของใจมันถอนไม่ขึ้น พอบ้านหลังนี้โทวรรยามันทำท่าจะสลายตัวไปไอ้ก็จิตก็กลัวเกิดความลิ้นหลนืดองหาทางป้องกันที่จะไม่ให้ตายแต่แล้วกฎธรรมชาติมันก็ต้านทานไม่อยู่ลองผลสุดท้ายเมื่อตายจริงๆไอ้กลัวผพ้ที่มันกลัวนี่มันไม่ตายเลย อาตมาเคยตายเล่นๆดูหลายทีแล้วในขณะที่มีความในขณะที่ตายลงไปนั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะน่ากลัวแต่มันกลัวก่อนที่จะตายเช่นอย่างเรานั่งสมาธิภาวนาพอจิตสงบลงไปลมหายใจละเอียดละเอียดลงไปหายใจแผ่ว ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ ร่างกายทำท่าจะหายไปลมหายใจทำท่าจะหายไปนั่นเรากำลังจะถึงจุดแห่งความตายแล้วถ้าหากว่าเราไม่ตกใจเสียก่อนพอลมหายใจหายขาดไปร่างกายหายไปเลยความรู้สึกจิตไปปรากดตัวเด่นลอยเด่นอยู่เฉพาะตัวไม่มีรูปมีร่าง มือความสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในถ้ำกลางแห่งความเวลวางเราก็จะรู้ทันทีวันนี้คือเราตายแล้วส่วนร่างกายก็ถูกทอดทิ้งบางทีก็เกิดในมิตมองเห็นว่าร่างกายเน่าเปื่อยสกพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเคยการตายใครนั่งสมาธิทำจิตให้สงบจนกระทั่งตัวหาย หรือไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าทำจิตให้มีวิตกวิจารติติตุขกเอกับข้าตาทำฌานที่หนึ่งให้บังเกิดเช้นอย่างมีพะละกำลังอย่างมั่นคงจิตดำรงอยู่ในฌานจนหนูแน่นในขณะนั้นจิตตาโมทบันเทิงอยู่กับอารมณ์จิตในตัววิตกและวิจารบันเทิงอยู่กับปีติละความสุขซึข่งเกิดจากสมาธิเกิดจากความสงบ แล้วเป็นหน่งอยู่ที่อารมณ์จิตในปัจจุบันลรมแล้วช่งความเป็นมนุษย์ไป ต, ตุติอยู่ในภาพของพรหมถ้าเกิดตัวในภูหมแห่งทานที่หนึ่งนั่นอยู่ในภูหมของของของรูปพรหมเกิดตัวในทานที่หนึ่งนั่นมันตายไปแล้วจากมนุษย์แต่ไปเกิดเป็นพม มี่ถ้าใธรทมเกตให้บรรลุรงชฌานที่ทนหน่งได้คนนั้นเคยตายมาแล้วแล้วเราจะต้องตายไปเป็นลำดับลำดับตายจงกระทั่งว่าวิโธิจานปีตีสุขบรนหายไปหมดจ้งเหล๋ยวจะจิดตดงเดียวีแต่เอกขาตาร่างกายหายสูญสาบสูญไปหมดอันนี้คือการตาย พอไ่เคยทำสมาธิจิตสงบมาแล้วอย่างที่กล่าวนี้ได้คือว่าเป็นผู้ตายเล่นๆหรือหัดตายไว้ก่อนที่จะตายจริงอันนี้ขอฝากนักปฏิบัติทำทั้งหลายไว้ทิจาละนาทะนี่มีปัญหาหน่นในเมื่อเราตายไปแล้ว เรานั่งสมาธิอยู่สามสนาทีถ้าจิสตสงบอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวเราก็ตายไปแล้วสามสนาทีทีนี้ถ้าตายไปแล้วจิตมันนิ่งนิ่งอยู่มันก็ได้แต่สว่างรู้ดูเฉพาะที่แต่ถ้าหากว่ามันมันตายไปแล้วอา้าวสมมติแต่ใช้คำตายแล้วก็บวาตายซะจิตเข้าสู่สมาธินี่คือความตายเพราะมันปล่อยวางความรู้สึกว่ามีกาย พาจิตสงบลงสมามลงสู่สมาธิมันเป็นอาการแหงร่งความจุตติรูร้ความเคลื่อนความจุตติหรือความเคลื่อนนั่นคือความตายว่ากันโดยตรงมันเป็นอย่างนี้เวลานี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราตายแล้วจิตวิญญาณของเราจิติจากกลางมนุษย์ว่าจากกลางมนุษย์ไปแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วจะบุญแต่กรรม ถาการเป็นบาปไปเกิดเป็นผีการเป็นบุญไปเกิดเป็นเทวดา้าตของพวกนั้นส่งสมาธิส่งฌานเอาไว้ตายในขณะที่อยู่ในฌานก็ไปเกิดเป็นพระพรหมส่งแล้วแต่บูมกำจะหนุนส่งให้เป็นไปทีนี้ถ้าเราอยู่ในสมาธิได้นานๆเปล็ดของเราส่งกะระแสออกไปเที่ยวข้างนอก บางทีมันก็จะไปเที่ยวคุยกับถือไปเที่ยวคุยกับเทวดาไปเที่ยวคุยกับเปรตบางทีบันพลังลงไปถึงนรกแล้วไปนั่งคุออยู่กับยมพะบานบางทีเถอเปรตของเราสงบหน้าลงไปเที่ยวนรกพอไปถึงหน้ายมพะบานก็รีบเปิดบัญชีทันที พอตอบันเช่แล้ ว, วาถามว่าคุณชื่ออะไรท่านชื่อนายปออนายปอยังไม่สิน้นอายุกลับไปก่อนวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นจงค่อยมาทีนี้ถ้าหากว่าใครไปจับนายปอมายมพระบาลจะสั่งให้เอาไปส่งคืนยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งอาตมานอนเฝ้าทิพสูสไข้ยอยู่ใต้ต้นไม้ มีญาติของคนไข้คนหนึ่งซึ่งมานอนเต้าเป็นเพื่อนกันเกิดนอนหลับแล้วละเมอไปส่งเสียงร้องทีนี้ใครๆครเขาก็ช่วยกันปลุกให้แกตื่นพอแกตื่นมาแล้วแกก็ เ, เล่าให้ฟังแกบอกว่ามีคนล่างอ้วนอ้วนดำๆถืออาวุธมาจับแกลากไปโน่นไปทางทิศตะวันตก ถึนี้พอไปถึงที่แห่งหนึ่งเหมือนเหมือนกับสารคนที่ประจำอยู่นั่นเหมือนกับตุลาการพอไปถึงก็เปิดตูบัญชีเขาบอกว่าอา้าวเอาคนมาผิดแล้วอันนี้มันไม่ใช่พระคาแต่เป็นนายคำพระอาพาธที่จะมานอนเต้าอยู่ด้านชื่อพระคาแต่คนที่ถูกจับไปเป็นนายคำ ถ้าบอกว่าเอานายคํานี่ไปส่งก่อนพรุ่งนี้บ่ายสีโ่โมงจึงค่อยไปเอาพระคำมาถ้าไม่รู้ถามมหาพุทธนอนเฝ้าอยู่ต้นมะล่มไม้นั่นเขาไหว้จบนั้นเขาเล่าให้ฟังทีนี้ก็ราคอยโดยว่าวันหลังวันพรุ่งพอวันรุ่งขึ้นพอบ่ายสี่โมงปับ๊บพระคำใจขาดทันทีโผล่ยมพบาลมาเอาไปแล้ว คือในเรื่องที่เรานั่งสมาธิภาวนาถ้าจิตของเราสามารถไปส่งกระแสไปในที่ต่างๆได้บางทีก็ไปถึงนรกบางทีก็ไปถึงสวรรค์แล้วก็ไปเู่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์มามาเล่าให้หมูฟังขายิงคนที่สลบไปเป็นเวลานานๆาเน่ น, นยิงไปเที่ยวอย่างสนุกสนานได้เพื่องได้ครับพอเพื่อนชมมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนสูงฟัง เป็นหลักฐานพยานว่านรกมีไหมสวรรค์มีไหมคนที่ไปรู้ไปเห็นมาแล้วเขาก็สมว่าสวรรค์มีนรกมีแต่ผู้ฟังจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่คนที่เขาไปเห็นรู้แล้วเขาก็ว่าเชื่อเช่นอย่างบางครั้งบางทีอาตมาไปอยู่ป่าอยู่ตรงโดนผีมันหลอกโดนผีมันตบหน้าบางทีมีใครเขามาถามว่าผีมีไมหมหลวงพ่อ อาตมาก็บอกว่าเออถ้าใครไม่เห็นผีแต่ว่าผีไม่มีก็สมควรอยู่แต่อย่าไปกลัวผีแต่คนที่เชื่อว่าผีไม่มีแล้วยังกลัวผีอยู่อันนั้นหลอกตัวเองอาตมาเคยโดนผีมันหลอกโดนผีมันตบหน้าแล้วก็ขอยืนยันได้ว่าผีมันมีเพราะเราเห็นแล้วเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยเปลี้ยใบหน้ามีหลักฐานยืนยัน เพราเราได้สัมผัสมาแล้วก็ยืนยันได้ว่าผีมีทุกวันนี้ใครมาถามก็ตอบว่าผีมีเพราะเราเห็นมันอยู่แล้วทีนี้ถ้าใครมองเห็นผีรู้ว่าผีมีเห็นผีแล้วก็จะกลัวก็สมควรอยู่ดอกแต่คนที่กล่าวว่าผีไม่มีแต่เสร็จแล้วก็อดที่จะกลัวไม่ได้มันจะกลายเป็นการหลอกตัวเอง เพราะฉะนั้นในทรรนองเดียวกันการทำสมาธิภาวนาเนี่ในเมื่อจิตมันสงบลงไปแล้วมันก็เหมือนตัดตายแล้วครั้งหนึ่งถ้าจิตอยู่ในระหว่างอุปจาระสมาธิหรืออยู่ในระดับฌานที่หนึ่งถ้าหา ว, ว่าจิตไม่เข้าอยู่ไม่รู้อยู่ในจิตทรงกระแสะออกไปนอกพอไปเกิดนิติต่างๆขึ้นมาแล้ว จิดของเราจะทิ้งฐานเดิมไปเกิดฐานใหม่หมายความว่าทิ้งร่างกายเดิมแล้วไปเกิดเป็นร่างกายใหม่ขึ้นมาร่างกายใหม่นั่นจะเดินไปในที่ทุกผลทุกแห่งบางทีก็ไปพบเทวดาบางทีก็ไปพบผีบางทีพบพ ร, ระอินทร์พระพรหมยมยักษ์แล้วแต่ดิเมตภาพมันจะปรุงให้เป็นไป ในมาเป็นเช่นนั้นความรู้สึกจะรู้สึกว่าเรานี่เดินไปเทีย่ยวไปดูนรกไปดูสวรรค์ได้ไปคุยกับเทวดาคุยกับจมพบาร น, นอกจากจะโลกรับกนหนดวันตายของตัวเองแล้วยังครบเอากาหนดวันตายของเพื่อนสูงมาด้วยอุตส่าห์มาเล่าให้หมูฟังนี่มันเป็นไปได้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องพันเอกที่เศษ็เนาะที่ตายไปสองครั้งสองคราแล้วนํามาเรื่องนาเรื่องมาเล่าให้หมูฟังก็เช่นเดียวกันกับผู้เข้าสมาธิภาวนาแล้วจิตทรงกระแสออกไปนอกไปรู้เห็นในที่ต่างๆก็จดจําไว้แล้วก็มาเล่าให้หมูฟังได้ที่เรามองเห็นได้ชัดในปัจจุบันนี้ความเป็นไปของ ลหลวงปูรฤาษีลิงดำนำคนไปฝึกมโนโมยิที่ ด, นดนูนรกดูสวรรค์ก็มีลักษณะความเป็นไปแบบเรียวกันกับเรื่องของพันเอกพิเศษสนพวกจะนั่ง ด, นดนูนรกดูสวรรค์โมโนมยิทีนี่ไปดูนรกได้ไปดูสวรรค์ได้ไปติดต่อกับวิญญาณในโลกอื่นได้ ตู่จาตายายของใครตายลงไปแล้วไปอยู่สุดทุกอย่างใดไปติดต่อเชิญ ม, มาคุยกันได้เนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้คนตายโดยบังเอิญสลบไปแล้วกับเพ้นในขณะที่สลบไปอยู่นั่นก็ไปเที่ยวในที่ต่างๆเหมือนกับที่เราเดินเดินไปเที่ยวเมืองโน่นเมืองนี้อย่างนั้นแหละ ทีนี้ก่อนที่อยู่ในสมาธินั่งสมาธิถ้าใจสงบเพิม่มๆลงไปสว่างขึ้นมาแต่แสจิตชงออกไปข้างนอ ก, กไปเที่ยวดูโน่นดูนี่เหมือนกับคนตายสลบแล้วไปเที่ยวในที่ต่างๆเหมือนกันอันนี้เรียกว่ามันเป็นสภาพจิตที่ถอดร้างออกไปจากร่างกายเดิมบางท่านบอกว่ามันเกิดเป็นกายคิพขึ้นมา ทิ้งตายเดิมแล้วเกิดเป็นตายทิพย์กายทิพย์สามารถไปเที่ยวในที่ต่างๆได้จะไปหน้าเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวชาวบ้านก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนอังกฤษอเมริกาต่างประเทศเทศอซัสเตรเรียไปไหนได้ทั้งนั้นในเมื่อถอดร่างออกไปแล้วอย่าโกมธผู้ฟังเคยเห็นผีเดินมาหรือเปล่า ข้าสังเกตล่างกายคนกับล่างกายผีนี่มันต่างกันแต่โลกชงมันเหมือนกันแต่ความหนาความบางมันคนได้จางร่างกายของคนมันเป็นล่างกายทุกถ้ามันบังดวงไฟแล้วมองไม่ทะลุถ้าบางดวงไฟเราจะมองไม่เห็นดวงไฟเห็นแต่กายดำมืดอยู่ แต่ถ้าร่างกายผีมันไปบงังดวงไปเราจะมองทะลุเห็นดวงไปนีข้อสังเสีมันเป็นอย่างนี้บางทีไปภาวนาอยู่ในป่าได้ดงเอ้าเห็นเพื่อนถึงเดินมาก็จะเข้าว่าเข้าใจว่าผีปู่ผีาปูเขามาหลอกมาหลอนอะไรทํานองนั้นถ้ามองดูล่างชุดชุดดำด ำ, ดำไม่ทะลุแล้วก็ไม่ใช่ร่างผีแต่ถ้ามองทะลุแล้วเป็นร่างผีนีข้อสังเสียมันเป็นอย่างนี้ อาจจะมาเคยเห็นมาแล้วนํามาเล่าถึงท่านทั้งหลายฟังเอา ล, ละการการบรรยายทำก็รู้สึกว่าจะออกนอกลู่นอกทางเพราะกรอนมันพาไป <c oughs> แต่โด้วยประการใดก็ตามสิ่งที่กล่าวมานี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวพันกับการทำสมาธิทั้งนั้นประประสงค์ของการทำสมาธิการภาวนานี้เพื่อให้จิตของเราโูดเห็นเป็นไปเช่นนั้นหรือ หรือว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่รู้เห็นเป็นไปดังที่กล่าวมาแล้วเป็นแต่เพียงผลพลอยได้ซึ่งเกิดจากการภาวนาผู้ที่ทาสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นทางผ่านของจิตแม้เราทำสมาธิลงไปแล้วเมื่อิตสงบสว่างลงไป เรื่งเหล่านี้ไม่อยากจะรู้มันก็รู้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมดาไม่อยากจะเห็นมันก็เห็นเพราะเป็นเรื่องของธรรมดาแต่ผู้ที่ภาวนาธรรมสมาธิไปจกนกระทั่งจิตคล่องตัวแล้วสมาธิมีพลังสติแก่กล้าภาวนาแล้วทีหลังนิมิตจะไม่ค่อยเกิดแต่จิตของเราจะสงบเข้าไปรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียว าในขณะใดที่ตายยังปราโกตอยู่จุดสงบเป็นสมาธิแล้วมันจะไปท่องเที่ยวอยู่ในกายกำหนดรู้อยู่ในกายแล้วมีความโลภเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตโทคสีงทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตายทุกภเวทนาสุภเวตนาอุเบคาเวทนาที่เกิดขึ้นจิตสามารถกาหนดรู้ได้โดยอัตโนมัติ สุขเกิดที่ตายสุขเกิดที่ตายไม่สุขไม่ทุกข์เกิดที่ตายตายเป็นแดนเกิดถ้าตายไม่มีสุขทุกข์ไม่มีเวเนศุอันบางเกิดแต่สมาธิเ ต, ติและความสุขเกิดจากการทาบำเพ็ญสมาธิก็เกิดที่ตายเหมือนกัน ลองสังเกต ด, ดูถ้าเราภาวนาแล้วปีติมันบังเกิดขึ้นตัวโยกขนหัวลุกหัวพองมีจิตใจลิงโลกมีตายเบาใจเบากายสงบใจสงบ เ, บ เ, บเบหมือนตับจะลอยขึ้นสู่อากาศอาการเช่นนั้นปรากฏอยู่ในขนาดที่เรารูสึกว่ามีกาย แต่ถ้ากายดับหายไปจากความรู้สึกแล้วอาการเหล่านั้นก็หายวาิสุทธิจารติวิสุขก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกััตตะจิตเป็นหนึ่งหนึ่งอยู่ที่จิตไม่มีสองที่ว่าไม่มีสองเพราะกายไม่มีจิตสงบเป็นอปปนาสมาธิขั้นละเอียดแล้วกายไม่มีมีแต่จิต สงบสว่างสบายอยู่เหมือนดวงไฟที่ลอยอยู่ เ, ยเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่ลอยอยู่เหนือโลกแค่นั้นร่างกายตนตัวไม่มีแล้วทีนี้ในขณะนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นอัปปนาจิตแล้วก็เป็นสมถะกรรมฐานถ้าจะว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานว่าโดยจิต ก็อัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิเต็นความสงบของจิตอันเป็นเบื้องต้นเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นทีนี้สมาธิเบื้องต้นนี่แหละผู้ภาวนามาปลูกผลอบรมบ่อยๆทำให้คล่องทำให้ชำนิชำนานแล้วสมาธิที่มันอยู่ในวงแคบๆสงบรู้อยู่ที่จิตนี้มันจะค่อยขยายวงกว้างออกไป จิตสงบแบบนี้เป็นจิตสมถะเป็นสมาธิขั้นสมถะกรรมาฐานท่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี่เขากลัวกันนักกลัวกันหนากลัวว่าจิตจะไปติดสมถะท่านผู้ฟังทั้งหลายนักภาวนาทั้งหลายเคยกลัวไหมว่าจิตจะไปติดอยู่ที่สมถะเรากําลังเริ่มจะปฏิบัติ กำลังเริ่มภาวนาเพื่อให้จิตมีสมาธิแต่เสร็จแล้วเราไปกลัวไปกลัวว่าจิตมันจะไปติดสมถะแล้วเมื่อไหร่จิดมันจะสงบเป็นสมาธิได้สักทีมันจะไม่เป็นในธรรนองที่ว่าเราทํามาท้าขายจะจะเป็นสือีเพราะลงมือทำงานแล้วกลัว กลัวว่าเราจะเป็นเศษผีเราหยุดทํางานเมื่อไหร่เราจะได้เป็นเศษผีกันสักผีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องกลัวสมาธิเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายต้องการสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดสติปัญญา เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดพลังทางสติสัมปชัญญะทำให้จิตมั่นคงเป็นที่รวมของจิตโดยปกติแล้วจิตของเรามันแสสายอยู่รอบทิศเมื่อสามารถทำจิตให้สงบมารวมอยู่ในสมาธิเป็นจุดหนึ่งแม้เพียงห้านาทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีจะไม่ดีหรือ เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวถ้าจิตสงบได้แล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองแม้ว่าปัญญาจะไม่เกิดในขณะที่จิตสงบนิ่งก็อย่าไปตกใจเมื่อเราออกจากความนิ่งมาแล้วสมาธิสติปัญญาของเรามันจะมาอยู่กับการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันจะได้ประโยชน์ในตอนนี้ ตอนที่เขาไปนิ่งอยู่เฉยๆก็เปรียบเหมือนกันกันกบการนอนหลับการนอนหลับท่านได้อะไรดีขึ้นธรรมชาติของร่างกายมันก็ได้พักผ่อนเมื่อนอนหลับแล้วร่างกายก็ได้พักผ่อนในเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างพอสมควรได้อเป็นที่ตามที่ต้องการก็ทำให้เกิดกำลังกาย ในเมื่อเกิดกำลังกายร่างกายสมบูรณ์สุขภาพจิตมันก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่จิตเข้าไปสงบอยู่ในสมาธิขั้นอัปปนาแม้ว่ายังจะไม่เกิดปัญญาความรู้ใดๆก็ตามร่างกายของเราก็ได้พักผ่อนเจตของเราก็ได้พักผ่อนได้พักผ่อนแล้วมันก็ทําให้เกิดพลังงาน ในเมื่อเกิดพลังงานแล้วกายก็แข็งแรงจิตก็เข้มแข็งในขณะที่เราทํางานทําการความแน่วแน่ของจิตของสติมันจะมีความมั่นคงยิ่งขึ้นแม้ว่าในขณะที่จิตนิ่งรู้โดยที่จิตนั้นมันไม่เกิดความรู้อะไรก็ตามจะไปตกใจ ขอให้มันนิ่งรู้อยู่ในจุดจุดเดียวซึ่งเรียกว่าสมถะหรืออปนาสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นปีก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะแต่เมื่อลืมตาออกมาแล้วจะมองเห็นประโยชน์ของมันได้ทันทีอีกอย่างหนึ่งมีผู้กล่าวว่าสมาธิขั้นสมถาะาสมถะกรรมฐานไม่เกิดความรู้ ความรู้มันไม่เกิดขึ้นจริงความรู้มันไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามันมีสิ่งรู้ล่ะเช่นอย่างเวลาท่านเพ่งอสุภะกรรมฐานพอจิตมองเห็นกระดูกโคลงกระดูกอ้าถ้าใครเคยทำกรรมฐานมองเห็ น, นิมิตดเห็นโครงกระดูกในขณะที่ท่านมองเห็นโครงกระดูกนั่นจุดของท่านว่า เลือกว่านี่โครงกระดูกหรือเปล่าอาสมาเข้าใจว่ามันไม่เลือดมันแต่เพียงเห็นอยู่รู้ยอยู่เท่านั้นทีนี้สมาธิขั้นสมถะหรืออปปนาสมาธินี่มันยังมีเหนือสมถะยังมีเหนือสมถะขึ้นไปอีกสมถะที่เหนือสมถะท่านเรียกว่าโคตาะปูยาน รู้พอต่ละภูชานมันเกิดกับภูมิจิตของผู้ที่พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างจนแต่ฐารทำนิคล่องตัวทำนิทำนานแล้วทำให้จิตสงบเป็นสมาธิขั้นอัปปนาไปโซจุดว่างไม่มีอะไรทีนี้เมื่อจิตไปจับไปยับยั้งอยู่ในจุดว่างไม่มีอะไรนานพอสมควรปัญญามันผุดโผล่ขึ้นมา ปัญญาอันนี้มันจะเป็นปัญญาขั้นโลกุตระจิตจะไปลอยเด่นอยู่เหนือโลกแล้วมองเห็นโลกทุกส่วนเหมือนดวงอาทิตย์ส่องแสงลงมายังโลกให้เกิดความสว่างไสวแล้วก็ชบต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสัตว์บุคคลอะไรต่างๆทั่วไปหมด ขออุปมาอุปไมยอันนี้ฉันใดในมัจจิตของผู้ที่ผ่านสมถะสมาธิขึ้นไปอยู่เหนือเหนือสมถะอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าโคตรลปูชานหรืโคตรลปูจานจิตตรงนี้สามารถที่จะส่งกระแสมามองดูโลกใด้ทั่วท่วนแล้วแต่พลังจิตถ้าเป็นพลังจิตของพระพุทธเจ้านี่เข้าใจว่ารัศมีแห่งความสว่างสวัยแห่งจิตของพระองค์ท่าน แพ่คลุมโลกโดยไม่มีส่วนมืดติดบงังแต่วิสัยของอริยะซึ่งเป็นโลกเศษของพระพุทธเจา้านี้บางทีก็มองเห็นบางส่วนบางซีกเท่านั้นไม่แพ่คลุมไปถึงทั่วโลกเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นพรมแห่งพระสาวกจึงแคบกว่าพระพุทธเจา้า สำหรับพระพุทธเจ้านี่ยรู้รอบโ ล, โ ล, โลกโปกับพิภูรู้แจ้งซึ่งโลกเมื่อจิตของพระองค์ไปลอยเดินอยู่เหนือโลกสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแทนเดินโพต้นไม้โูเขาเหล่ากาก็มองเห็นมดสัตว์ทุกชนิดมองเห็นมนุษย์ก็เห็นผีก็เห็นเตลก็เห็นเทวดาก็เห็นเห็นหมด ในไม่เห็นความสุกสีและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปต่างๆกันพระองค์ก็สามารถมองรู้เหตุที่จะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะกฎของกรรมในเมื่อพระพุทธองค์โรแจ้งในกฎของกรรมแล้วจึงมาสอนว่ากรรมมัศกากรรมดาจาดากมาโยนีกรรมบันภูกรรมปะิุจารณา สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกำมังกระลึกสามิกันสันติกันดาญานังวาปาปังวาจัชดาญาราพระวิสันตุจากทํากรรมอันใดไว้ดีก็าตามทั่วกว็าตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนนี่เป็นพระดำํำรัสของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อหรือเปล่า ว, ว่าพระพุทธเจ้าสอนถูกต้อง ทำกรรมดีได้รับผลดีทำกรรมทั่วได้รับผลทั่วดังนั้นพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละความทั่วแล้วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ศาสะอาเราจะละความทั่วกันที่ตรงไหนศีลนห้าที่ได้สมาทานมาแล้วนั้นละลงไปไม่ต้องไปกังวลสิ่งองื่นศีล้ห้าข้อท่านั้นเหลือกิน ขอให้มันเด็ดขาดลงไปคีนี้ทำความดีพยายามปลูกฝังจิตใจให้เสงิให้มั่นคงในการละความทั่วดังที่กล่าวในเมื่อละความทั่วดังที่กล่าวจิตมีความมั่นคงต่อการละความทั่วจิตของเรามีแนวโน้มในการทำละตัวเองให้บริสุทธิ์สะอาด มีความสูอสัตว์ตรงไปตรงมาต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบี้วเป็นพระปิสุสงท์ทำหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบี้วแล้วกว็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำจิตทำใจให้ส่อสัตว์สุจริตความสูอสัตว์สุจริตคือความสะอาดใจจิต ดวงได้ในคาว่าชำละจิตของตนเองให้สะอาดชาปป า, ป, ะะาปัะะสะอากะรณังตุเชลโสปะสัมปดาจากิตตะปริโยดปะนังเอตังบุทานศาสนังการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังตุศนให้ถึงต้อมการชำละจิตให้บริสุทธิธน์นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยรตราระชนี ได้บรรยายธรรมมาพอเป็นเวลาอันสมควรแล้วจึงขอจิติการบรรยายธรรมลงเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งกุศลและเจตนาที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใกล่ในธรมรมรวมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอพระคนุนนั้นๆจงดลบันดาลให้ท่านเกิดมีคนนธรรมที่ทําคนให้เป็นพุทธ คือเป็นผู้รู้สึกสํานึกจิตชอบทั่วดีพลังแห่งความรู้สึกสํานึกจิตชอบทั่วดีหรือพลังแห่งพุทธมีพลังแก่กล้าขึ้นจะวิ่งเข้าไปสถิตประดิษฐานทําให้จิตของท่านรู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาท่านได้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสถานะที่พึ่งเมื่อจิตมีรู้ตื่นเบิกบานมีคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในจิต เราพรเจ้ากับพระธรรมก็คืออันเดียวกันแต่ว่าโดยโบขานได้เป็นคนละอย่างเราพระเจ้าก็อันนั้นพระธรรมก็อันนั้นโยมังปัจจิโสธรรมโยธรร ม, มังปัจจิตโสมังปัจจิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเราพระเจ้าเทศให้ภวัสตร์ฟัง แล้วขอให้ทุกท่านทรงประสบ ค, ความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาในที่ทุกสถานตลอดนานทุกเมื่อเทินกลางของายอยู่แล้วถํากลางของใจก็คือใจในเมื่อใจอยู่ในท่ํากลางจุดเป็นสมาธิไปสงบนิ่งอยู่ในท่ํากลางสามารถแทนทัศนีออกมาลู่อวัยวะต่างๆผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูก แต่ส่วนใหญ่ถ้าใครรู้เรื่องของผมคนเลือกฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วจิตมันจะไปรวมรู้อยู่ที่โครงกระดูกเพราะโครงกระดูกนั่นเป็นมันเป็นโครงสร้างโครงสร้างซึ่งมีลักษณะแข็งแกร่งไม่ยอมสลายตัวได้ง่ายส่วนเนื้อหนังมังสัง เล่นเอ็นตัดไตใส้พุงอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่แข็งแรงเมื่อมันเกิดสลายตัวสิ่งนี้มันจะสลายตัวสาบสูญไปก่อนอื่นเกณฑ์กลางจะโครงสร้างได้แก่โครงกระดูกแต่ลังยังเหลืออยู่ส่วนใหญ่นักภาวนาถ้าเห็นอนระิสุภกรรมาฐานแล้วจะไปมองเห็นโครงกระดูกนั่นนานกว่าอย่างอื่น อย <c oughs> ู่นี่นี้มาในเมื่อจิตของเรามารู้อยู่ที่โครงกระดูกถ้าหากว่าจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่โครงกระดูกโครงกระดูกเป็นภาพนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่จิตรู้อยู่ที่โครงกระดูกตลอดไป ในลักษณะเช่นนี้ถ้าเรียกว่าปอกขหานิมิตจิตที่ยึดเอาโครงกระดูกเป็นอกขหานิมิตเป็นนิมิตติดตาหลับตาก็เห็นลืนตาก็เห็นตั้งใจก็เห็นไม่ตั้งใจก็เห็นเรียกว่าปอกขหานิมิตแต่ถ้าหากว่า จิตสามารถกำหนดหมายโครงกระดูกโลกความเปลี่ยนแปลงหรือการสลายตัวของโครงกระดูกได้เองโดยอัตโนมัติกระดูกหลุดออกจากกันหากเป็นข่อนและละเอียดหายสาบสูญไปในพื้นดินแล้วก็สลายตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่อันนี้เรียกว่าปฏิภาคณิมิตร ตือนี้ถ้าหากจิตมาสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของโครงกระดูกภูมจิตของท่านผู้นั้นกาลังก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาสมถะถ้าจิตเห็นนนมิติดูที่มิติเป็นภาพนิ่งถ้าจิตดูภาพนิ่งเรียกว่าสมถะถ้าจิตดูภาพที่เปลี่ยนแปลงมันจะกลายเป็นวิปัสสนา แม่ลมหายใจเข้าหายใจออกเรากำหนดดูลมหายใจเข้าหายใจออกนีสติกำหนดดูอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรลภสติมีสิ่งละลึกสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญา เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเขาสามารถกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงของลมออกแหละลมเข้าลมหยาบลมละเอียดเมื่อเจิดมากำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็กลายเป็นปุมวิปัสนาผ่านข้องใจไม่ว่าสมาธาคืออะไรวิปัสนาคืออะไรสมาธาวิปัสนามันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ เมื่อเราภาวนาแล้วจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเป็นสมถะความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะหายสงสัยข้องใจนี่คือวิปัสสนาจะไปเสียงกันให้มันลำบากทำไม่ะ <c oughs> ในเมื่อสิ่งใดซึ่งมันเป็นปรากฏการขึ้นเป็นภูมิจิตภูมิธรรมเกิดจากการปฏิบัติ สิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นความสงบนิ่งมันก็เป็นกิริยาของสมาธิและเป็นกิริยาของสมาถะถ้าจิตรู้ชัดว่านี่คือสมถะหรือสมาธิหายสงสัยข้องใจพอรู้จริงแล้วนี่คือวิปัสสนาวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นริง ไม่เคยว่าทำจิตให้สงบนิ่งวางขึ้นมาเล่าสว่างปุ้มขึ้นมาเป็นวิปัสสนาเหล้ยวไหลนั่นแหละโอภาษา ม, มิเป็นวิปัสสนาปัจจุริย <c oughs> ์ทีนี่การกําหนดจิตภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปสําคัญมั่นหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องทําจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิเสมอไปสมาธิมันมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งสมาธิสงบนิ่งว่างหนึ่งเหมือนดวงไฟที่เหมือนไฟเทียนที่อยู่ในโต๊ะลมพัดไม่ถูกมันได้แสงไฟมันก็นิ่งอันนี้เรียกว่าสมาธินิ่งอยู่ในสมาธิอันหนึ่งมันไม่นิ่งจิตมันไปคิดอยู่กับเรื่องราวต่างๆแต่มันคิดด้วยอาการแห่งความสงบ มีสติสัมปชัญญะตามรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตอันนี้ก็คือสมาธิในเมจิตมีความคิดอยู่จะได้ช่วยจิตสงบปเป็นสมาธิได้อย่างไรสมมติว่าใครมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตคนเข้าด่ามารับรู้ แต่จิตไม่วันไหวเพราะการกระทบนั้นนิ่งสบายไม่โกรธไม่งุดหงิดจิตสงบหรือเปล่าในเมื่อตาเรามองเห็นสิ่งต่างๆจะจิตไม่วันไหวตามสิ่งนั้นๆชันอย่างเช่นเขาเดินไปวิ่งไปไม่อยากวิ่งอยากเดินกต่เขาจิตของเราอยู่ในสภาพปกติแม้แต่เท้าก็ไม่ก้าวตามไป จิตสงบหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคาว่าจิตสงบนี่สงบอย่างไม่มีความคิดอีกอย่างหนึ่งสงบอย่างมีความคิดแต่ไม่มีความยินดียินร้ายจิตเป็นกลางโดยเที่ยังทำบางทีนี่อารมณ์มันว้าวุ่นอยู่ตลอดเวลาแต่จิตดวงนี้มันจะไปนิ่งสว่างสวัยอยู่นะในข่้มกลางแห่งสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้หรือเปล่า ถ้าใครยังไม่เป็นก็รับฟังเอาไว้อย่าปฏิเสธพวกสิ่งในโลกนี้ที่เขาพูดกันคุยกันที่มีชื่อระบุถึงว่าสิ่งนั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นในเมื่อเราศึกษายังไม่ถึงอย่าไปปฏิเสธว่ามันเป็นไปไม่ได้เราต้องรับฟังเอาไว้แล้วพยายามพยายามที่สุดให้ามารู้ข้อเท็จจริงเนอย่างคนที่มาถามนี่บางที อาจจะมีคนคิดว่าการภาวนาแล้วมันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งถึงนั่นมาให้รู้ให้เห็นได้แต่คนเขาก็เห็นแล้วรู้แล้วยกตัวอย่างเช่นสมัยที่ประมาณสองพันห้าร้อยีอ่สิบกว่าปสองพันห้าร้อยี่สิบยี่สบเอยสิบสองอะไรทำนองนี้หลวงป้าไปอบรมพระนักศึกษา ของสภาการศึกษามหามกุราวิทยาลัยมีพระองค์หนึ่งพอลง่อเทตแล้วจะชอบคัดค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องีิว่าพิจารณาเห็นโครงกระดูกนี่แหละแ่ะก็ไปขัดแย้งว่ามันเป็นไปไม่ได้หลวงพ่อก็บอกว่าคุณอยากลองไหมอยากลองเหมือนกัน เอาอยากลองผมจะบอกวิธีให้ให้กำหนดจิตแข้งลงที่หน้า อ, อกกำหนดจิตลอกหนังออกแล้วก็เถือเนื้อออกเึกให้มันถึงกระดูกเลิกย้อลับไปกลับมากลับไปกลับมาท่้งยืนเดินนั่งนอนในขณะที่เราเลิกอยู่นั่นมันยังไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างมันอย่าไปเสียใจแล้วก็ทำอยู่สองสามวัน คือในพอเสร็จแล้ววันหนึ่งจะมาหาจ่เช้ชามืดมาถามว่าทําไมหลวงพ่อปล่อยผีไปหลอกผมือมเอาแล้วสิในแต่าผีผมก็ไม่เคยเห็นแล้วผมจะไปปล่อยผีไปหลอกคุณได้อย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรที่บอกคุณว่าผีไปหลอกฮะคือมันเป็นอย่างนี้ ผมนางตำรวจที่เจรนาจะให้มันเห็นโคงกระดูกอย่างที่หลวงพ่อว่าทําอย่างไรมันก็ไม่เห็นแต่ตกบทมันจะเห็นผมอยไปเดินจงกลมพอเป็นลมมือที่ฐานติตเท่านั้นพอก้าวหน้าไปปั๊บโคงกระดูกมันมาเดินนําหน้ามาสอนให้ผมเดินจงกลมพร้อมเดินตามมันไปเวลาหันกลับมากลับถึงที่สุดๆจงกลมแล้วก็เดินกลับมาเข้ามันก็ตามหน้านําหน้าผมไปอีกจงก็พทั่ง จนกระทั่งเนื้อตัวขึ้นมาก็ขึ้นไปบนกุฏิจะไปนั่งสมาธิเพื่อให้มันหายเอาจีวรมาคลุมโปงหมดแล้วก็นั่งสมาธิคลองกระโดกมันก็มานั่งสมาธิแขมกผมอยู่นั่นเนี่ยทีนี้พอนอนลงไปเอ้ามันก็มานอนด้วยเหมือนกันลงผลสุดท้ายผมเนื้อตัวมากขึ้นผมก็ร้องเออชั้นจะลงก็จะทาผมเหมือนกัน แล้วมันก็หายไปแล้วก็ยังถามว่าถาว่าหลวงพ่อจะทำผมนี่เป็นคาถาได้หรือเปล่าจะถามโอ้ยเดียนมาจนจะพ่วงปริญญาไปห้อยฝาผนังกุฏิแล้วยังจะโง่ถึงขนาดนั่นเหรอนี่หละเพราะความโง่ของเราเนั่นแหละเราจริงไม่เชื่อทีนี้เราเชื่อด้วยยังหอเชื่อด้วยยังท่านบอกว่าเชื่อแล้ว ว่ามันเป็นไปได้ก็มันเป็นไปได้แล้วท่านจะไปปฏิเสธอย่างไรหรือในสิ่งที่มันเป็นไปได้นั้นมันไม่ใช่ว่าคลองตระดูกมันเป็นผีมาหลอกคุณแต่จิตของคณนี่เพราะคนอยากรู้อยากเห็นมันจึงแสดงมโนภาพขึ้นมาให้คุณเห็นทำไมจึงต้องสร้างมโนภาพขึ้นมาเพราะมโนภาพมันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง เพื่อเราจะอาจจะรู้ว่าในกายของเรานี่มีโครงกระดูกแต่เมื่อเราภาวนาลอกเนื้อลอกหนังออกแล้วไปเห็นโครงกระดูกเราก็รู้ว่าอ๋อในร่างกายของเรามีโครงกระดูกจริงเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงนั่นคือมโนภาพแม้ว่าเราจะกำหนดดูตัวของเราจนกระทั่งเห็นว่าเราตายลงไปแล้วเน่าเปื่อยผุพังลงไปแล้ว อันนั้นมันก็คือมโนภาพมโนภาพอันนี้ท่านเรียกว่านิมิตทีนี้นิมิตอันนี้ท่านนอนหลับไปท่านว่าฝันท่านั่งสมาธิแล้วจิตมันหลับในเป็นสมาธิมันเกิดสว่างขึ้นมาแล้วฝันเห็นสิ่งต่างๆท่านเรียกว่านิมิตมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ การรู้ทำเห็นทำนี่บางทีมันก็รู้เป็นภาษาขึ้นมาบางทีก็รู้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาการรู้เป็นตัวเป็นตนนี่ก็คือมองเห็นความตายเห็นร่างกายคนในสัตว์ตายอยู่ข้างนอก